กรรมที่ทําให้มีแฟนต้องห่างกันเสมอถามมีแฟนมากี่คนก็อยู่ไกลกันหมดเรียกว่าคนอยู่ใกล้ๆก็ไม่ยักถูกใจพอจะพึงใจชอบใครขึ้นมาก็เป็นอันว่าเขาต้องอยู่ไกลจากเราเสมอไม่เคยได้อยู่ใกล้ๆกันแบบคู่อื่นๆต้องเสียเวลาเสียเงินเสียอารมณ์หลายอย่างมากมาย ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้และถ้านี่เป็นกรรมเก่าควรจะทำอย่างไรให้ right? ใหจะตตาด้านนี้ดีขึ้นตอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆจัดเป็นการแสดงตัวที่ชัดเจนของวิบากกรรมอย่างหนึ่งซึ่งคนจะเชื่อเรื่องวิบากกรรมก็เพราะประสบอะไรบ่อยๆเข้ากับตัวเองอย่างไม่มีทางหือนี่แหละครับวิบากที่เกิดขึ้นกับคุนั้น มองเป็นนิมิตโดยรวมได้ภาพใหญ่ๆอย่างนี้ตัวคุณและคนรักอยู่ห่างมีช่องว่างคือระยะทางไกลมาแบ่งแยกร่างกายออกห่างกัน 2. ความรู้สึกของคุณที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นประจำคือความคิดถึงความทรมานใจที่ไม่ได้พบความกระวนกระวายกับการรอคอย และความดีใจกับการพบกันที่เกิดขึ้นแบบนานทีปีหน 3. สัมพันธภาพนั้นงอนแง่นพร้อมจะขาดพึงได้ตลอดเวลาสมคำร่ำลือเช่นรักแท้แพ้ใกล้ชิดเขาจะทำอะไรอยู่ที่ไหนตัดสินใจอย่างไรแปรปรวนไปทางไกลก็ได้ทั้งสิ้นคุณจึงเป็นทุกข์ เพราะความระแวงได้มากกว่าคู่รักธรรมดาที่เจอหน้ากันบ่อยๆเมื่อสำรวจทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมเช่นนี้ก็พอบอกได้ครับว่าคุณต้องเคยทำกรรมพันนี้มาก่อนโดยม้าจะเป็นการกลั่นแกล้งให้คนที่เขารักกันต้องอยู่ห่างกันเป็นประจำนั่นเองอีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้ คือคุณมีคู่หมายที่ผูกไว้แน่นหนาด้วยกรรมสัมพันธ์เก่าอยู่คนหนึ่งแต่ยังไม่ถึงเวลาได้พบดังนั้นคนที่ผ่านมาเข้าทางจึงไม่ค่อยมีโอกาสเข้าถึงตัวกรรมสัมพันธ์เก่าที่ว่านี้อาจเกิดขึ้นจากการครองคู่ตลอดชีวิตและอธิษฐานด้วยใจหนักแน่นว่าชาติหน้าขอให้ได้พบและอยู่คู่กันอีกหากแม้ต้องพบใครก่อนก็ขอให้แคล้วคลาดไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกัน แต่ถ้าคุณยังเรียนยังอยู่ในวัยเยาว์เหตุผลธรมธรมดาธรรมดาอาจเป็นว่าคุณยังไม่ถึงจังหวะเหมาะที่จะคบใครใกล้ชิดสนิทถึงเนื้อถึงตัวก็เท่านั้นเองถ้ากรรมเก่าของคุณต้องการให้คุณสะอาดหรือมีมนทินน้อยที่สุดเขาก็มีวิธีสารพัดให้เราเอาชนะเขายากครับและอีกกรณีที่มีโอกาสได้น้อยกว่านั้น แต่ก็เป็นไปได้เช่นกันนั่นคือคุณเคยบวชและใครในทางธรรมมากกว่าทางโลกก็อธิฐานไม่ขอมีคู่พลังอธิษฐานนั้นจะบีบให้คุณเลือกพึงใจเพศตรงข้ามได้ต่อเมื่อเขาอยู่ในระยะห่างและค่อยๆทำให้แหน่หนกับการรอคอยคนที่จะมาเป็นตัวจริงใต้ชายคาเดียวกันในที่สุดก็หันมาพอใจการครองโสดอยู่ปฏิบัติรภาวนาข้อนี้ ไม่ใช่เกิดขึ้นกับใครง่ายๆนะครับสำหรับทางแก้ตรงๆคงไม่มีมีแต่ตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่เป็นผู้พรากของรักของห่วงของใครเราจะไม่เป็นผู้ทำให้ใครต้องอยู่ห่างจากคนรักส่วนถ้าคบใครแล้วถูกใจจริงๆก็หาทางให้ได้มาอยู่ได้กันตามวิถีโลกความเพียรพยายามที่สมเหตุสมผลนั่นแหละ ราคาที่เราต้องซื้อเพื่อเอาชนะแรงเสียดทานจากกรรมเก่า